ประวัติโดยย่อพระคาถาอุปปาตสันติที่มาของบทสวดพร้อมคำแปลและประวัตินำมาจากเว็บไซต์ธรรมจกักร d net ซึ่งตั้งกระทูโดยคุณกุหลาบสีชาขออนุโมทนามานณาธนี้ด้วยนะครับขอบุญกุศลที่เกิดจากการเผยแพร่ บ, บทสวดนี้ถวายแด่พระรัตนตรัยพระมหามังคลาศีละวังสะผู้แต่งบทสวดและครูบาอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้สืบต่อพระคาถาเผยพร่มาจนถึงในปัจจุบันนี้ประวัติอุปปาตสันติทางเมืองเหนือเรียกว่ามหาสันติงหลวงแปลว่าบทสวดเพื่อสงบเคราะหกรรมสวดเพื่อสงบเหตุร้ายและสวดเพื่อสงบสิ่งที่กระทบกระเทือน คพิอุปาตสันติเป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนาไทยแต่งโดยพระมหามังคลศีลวังสะพระเทระนักปราดของชาวเชียงใหม่รูปหนึ่งในสมัยของพระเจ้าสิริธรรมจักรวัตรติโลกราชาธิราชในวงเล็บพระเจ้าติโลกราชรัชกาลที่11แห่งราชวงศ์มังรายระหว่างปีพุทธศักราชหนึ่ถึง เป็นคาถาล้วนจำนวน271ขคาถาจัดเข้าในหนังสือประเภทเชียงใหม่คันถักคำพีนี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ชนชาวล้านนามาแต่โบราณกาลทั้งพระสงฆ์สามนเณรและชาวบ้านผ่ากันสวดและฟังอุปปาตสันติเพื่อกลับความร้ายให้กลายเป็นความดีมีคำเล่าว่าสมัยที่ท่านแต่งอุปปาตสันตินั้น ที่เชียงใหม่มีโจรผู้ร้ายและคนอันธพาลชุกชุมผิดปกติมีเหตุร้ายและสิ่งกระทบกระเทือนอยู่เสมอพระมหาเถระศีลวังสัจจึงให้พระสงฆ์สามเณรและประชาชนพากันสวดและฟังอุปปาตสันติเพื่อสงบเหตุร้ายทั้งมวลที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองต่อมาชาวพมา่ามีความเลื่อมใสนำคำภีร์นี้เข้าไปในประเทศพมา่าชาวพมา่าทั้งพระสงฆ์และประชาชนนับถือว่า พระคำภีอุปาตสันตินี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากพากันนิยมท่องนิยมสวดและนิยมฟังกันอย่างกว้างขวางแพร่หลายไปทั่วประเทศพม่าในสมัย500ปีที่ล่วงแล้วในงานพิธีสืบชะตางานขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นเนื้อความในอุปาตสันติคถานั้นสรุปได้ว่าเป็นธรรมะที่กระทำความสงบอันยิ่งใหญ่ เป็นธรรมะเครื่องสงบเหตุร้ายทั้งปวงเป็นธรรมะเครื่องป้องกันอมนุษย์และยักษ์เป็นธรรมะเครื่องพ้นจากความตายก่อนกำหนดเวลาเป็นธรรมะเครื่องย่ำยีกำลังของ่าศึกเป็นธรรมะเครื่องจำเริญชัยชนะแด่พระราชาเป็นธรรมะเครื่องนำสิ่งที่ไม่ปรารถนาทั้งปวงออกไปอุปาปตะสันติคาถาเป็นบทสวดอย่างพิสดาร ท่านจึงกล่าวพระนามของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ไว้อย่างครบถ้วนทั้งที่มีมาในอดีตในปัจจุบันและจักมีมาในอนาคตรวมตลอดไปจนถึงท่านทีนท่ทรงคุณทรงอำนาจทรงฤทธิ์ในทางที่ดีอื่นๆเช่นเทวดาอินพรหมยักษ์นาคคนทันครุฑอสูรเป็นต้นเพื่อขอความเป็นมงคลความสงบความสวัสดีความไม่มีโรคชัยชนะ และอายุรวมทั้งขอให้ท่านคุ้มครองให้พ้นจากเหตุเพศภัยนานับประการอันจะบังเกิดขึ้นในการทุกเมื่อคัมพีอุปาจัตสันติเป็นคัมพีของไทยแต่ต้นฉบับได้จากเมืองไทยไปอยู่พมา่าเส้นานจนแทบกล่าวได้ว่าคนไทยในสมัยหลังๆนี้ไม่มีใครรู้จักไม่เคยได้ยินแม้แต่ชื่อของคัมพีนี้ าบัตินี้เป็นที่สมนัดยินดียิ่งที่เจ้าคุธท ร, รมคุณาพรในวงเล็บเช้าที่ตาปัญโยเปรเรียนธรรก้าประโยควัดมหาโพธารามปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ท่านได้ชำระคำพีนี้เป็นภาษาบาลีอักษรไทยเพื่อความสะดวกแก่ผู้อ่านที่ไม่สันทัดบาลีโดยได้ต้นฉบับภาษาบาลีอักษรพรมาร่าจากพระอาจารย์พันธันตะ ธรรมานันทมหาเทระอครมหาบัดิตแห่งวัดท่ามโอจังหวัดลำปางนับว่าเป็นการนำคำพีของล้านนาไทยโบราณกลับคืนมาสู่เมืองไทยให้ชาวไทยในยุคปัจจุบันได้รู้จักได้ศึกษาได้สวดได้ฟังให้เกิดประโยชน์ทางสันติเพื่อความสงบระงับจากภัยพิบัติทั้งปวงและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวล้านนา ชาวไทยตลอดจนชาวโลกทั้งมวลต่อไปนี้เป็นบทแปลของพระคาถาอุปาตสันติซึ่งคิดว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนทั่วไปในการสวดหรือฟังเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองนะครับก่อนสวดให้จำไว้ว่าบทนมโมเป็นการน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพื่ออัญเชิญพระพุทธคุณเป็นประธานในการทาพิธีหรือสวดมนต์ต่าง สิ่งสูงสุดที่เราต้องระลึกและน้อมเข้ามาเหนือเสียงกล้าวเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อให้ระลึกไว้เสมอว่าท่านคือองค์พระศาสดาผู้มีพระคุณสูงสุดของพวกเราพนมมือเ อ, อ่ยปากสวดและมโนภาพในใจนึกเสมือนพระองค์ทรงประทับนั่งเป็นประธานในการสวดหรือทำพิธีต่างๆของเราจะเพิ่มปีติศรัทธาและอนุภาพยิ่งขึ้นขอให้เจริญในธรรมการทุกท่านนะครับ Oh, oh, oh.